เตระสกันว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเศษสิบสามสิกขาบทสิกขาบทที่หนึ่งห้ามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเริ่มเรื่องว่าพระภูมิพระภาคเจ้าประทับนาเชตวนารามของอนาถาบินทิกะเขารือหะบอดีใกล้กรุงสาวัตถีภิกษุเซยส ก, กะถูกพระอุทายี แนะนำในทางที่ผิดให้ใช้มือเปลืองความใคร้ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนสำหรับภิกษุที่ชื่ออุทายีในหัวข้อนี้ความจริงมีสองรูปรูปหนึ่งผิวดำจึงมีผู้เรียกว่ากาวุทายีแปลว่าอุทายีดำเคยเป็นอมหมายกรุงกบิลพั์ออกบวชเมื่อคราวพระพุทธบิดาใช้ให้ไปทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าส่วนพระอุทายีที่กล่าวถึงในที่นี้ ชอบก่อเรื่องเลอะเทอะเสมอจึงมีฉายาว่าโลลุทธายีแปลว่าอุททายีเลอะเทอะหลังจากพระอุทายีนี้แนะนำในทางที่ผิดความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกประชุมสงฆ์ทรงไต่สวนพระเสยยะสกะรับเป็นสัตว์คือรับว่าเป็นเรื่องจริงทรงติเตียนพระเสยยสกะเป็นอันมากแล้วทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนโดยเจตนาถ้ารวงละเมิดต้องอาบัตสังฆาทิเศษคืออาบัตที่ต้องให้สงฆ์เกี่ยวข้องในการเบื้องต้นและกรรมอันเหลือคือสงฆ์เป็นผู้ปรับโทษให้อยู่กรรมและสงฆ์เองเป็นผู้ระงับอาบัตอนุบัญญัติข้อบัญญัติเพิ่มเติมสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายนอนหลับ น้ำอสุจิเคลื่อนด้วยความฝันเกิดความสงสัยว่าจะต้องสังคาที่เศษจึงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่าเจตนามีอยู่แต่เป็นอโพหาริกคือไม่ควรกล่าวว่ามีเหมือนอย่างเทน้ำหมดแก้วแล้วน้ำก็ยังคงมีติดอยู่เล็กน้อยแต่ไม่ควรกล่าวว่ามีแล้วส่งบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมเพิ่มข้อยกเว้นสาหรับความฝัน ต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายตัวสิกขาบทโดยพิสดารแล้วกล่าวถึงเรื่องอนาบัติคือการไม่ต้องอาบัติ6ประการคือ 1. เพราะฝัน 2. ภิกษุไม่มีเจตนาจะทำให้เคลื่อน 3. ภิกษุเป็นบ้า 4. ภิกษุมีจิตปุ้งซ่านคือเป็นบ้าไปชั่วคราวด้วยเหตุใดๆ 5. ภิกษุมีเวทนากล้ากระทำโดยไม่รู้ตัว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 ต้องอาบัต ส, สังฆาทิเศษบ้างไม่ต้องบ้างตามควรแก่กรณี